ในโอกาสต่อไปนี้จะ <c oughs> ได้นำธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายพอเป็นเครื่องประดับสฏิปัญญาของท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายมีความสนใจในการฟังธรรม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 และพวกหนุ่มสาวทั้งหลายที่สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมวนมากจะเป็นชนท่านปัญญาชนและผ่านการศึกษาอย่างน้อยระดับอนุปริญญาตั้งแต่อนุปริญญาจนถึงปริญญาอกีกที่ในท่าพูดถึงตาแหน่งหน้าที่ของท่านเหล่านั้น ก็ตั้งใจระดับเสมียนยงจงกระทั่งถึงอะไรจะการท่านที่เศษเจ้ากลมถึงรัฐมนตรีนี่ก็แสดงว่าธรรมะกาลังเฟื่องฟูหรือกาลังถูกเึ้อ่อเฟ้นอฟูขึ้นมาทางนี้ก็เห็นจะเป็นเพราะว่าประชาชนพทธบริษัทมีความเข้าใจของคำว่าธรรมะ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 คนเราทุกคนเนี่ยเป็นอยู่ด้วยการทำงานเราจะทำงานทั้งหลับทั้งเวลาหลับทั้งเวลาตื่นเวลาตื่นเราก็ทำงาน ท, งทุกอย่างด้วยความตั้งใจแต่เวลานอนหลับเราทำงานโดยอัตโนมัติเกจทั้งเราก็ยังต้องคิดหัวใจก็ยังเต้นปอบก็ยังสูดลมหายใจอันนี้คือการทำงาน เราเน้นชีวิตก็คือการทำงานงานก็คือชีวิตเราสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องว่าสิ่งเหล่านั้นคือธรรมแล่มันเป็นธรรมได้อย่างไรในข้อที่ว่าธรรมะคือชีวิตชีวิตก็คือธรรมะอะไรในํานองนี่ที่เรียกว่าธรรมะก็าะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันเป็นเครื่องโลกของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติและเป็นพืนฐานที่ให้ที่เป็นเหตุให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอยู่และมีความเปลี่ยนแปลงและแสดงความจริงให้ปรากฏตลอดเวลาแม้แต่ลมหายใจของเรานี่มันก็แสดงความจริงให้ปรากฏ อ, อยู่ตลอดเวลาคือการสูดลมออกสูดลมเข้า ใจที่เรายังมีการสูดลมออกลมเข้าความจริงมันก็ปรากฏที่เราต้องมีชีวิตอยู่ถ้าเราหยุดหายใจเมื่อไหร่หยุดสูดลมออกลมเข้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็หมายถึงความสิ้นสุดแห่งชีวิตคือตายนั่นเองเพราะฉะนั้นในคําตอบที่ปัญหาคอติวะธรรมะคืออะไรธรรมะคือชีวิตเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ผิดแน่นอน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 ตั้งแต่อโนปธรรมานูหรือมวนสารที่เกะกลุมกันเป็นก้อนใหญ่โตจนหาประมาณนี้ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคือธรรมะด้านสภาวะธรรมธรรมะด้านสภาวะธรรมนี่เขาย่อมมีปรากฏการแสดงความจริงให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราจะสามารถกำหนดรู้ทันหรือเปล่า พราะทุกเริงทุกอย่างมีปรากฏการเกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัวอันนี้คือกฎธรรมชาติที่เราจะต้องศึกษาให้รู้ทนนี้ภายในตัวของเราเนี่ยเราก็มีกายกับใจกายกับใจเนี่ยไม่ว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ตราบใจเราก็ยังมีชีวิตเป็นอยู่ตราบนั้น เมื่อมีกายมีใจแล้วเราต้องมีส่วนประกอบคือตาหูจมูกเล่นกายไหลใจตาหูจมูกเล่นกายไหลใจบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอินทรีหกบางทีก็ว่าประตูซึ่งสุดแท้แต่บัวหานของพระองค์ท่านจะรัดตั้งมาเป็นประการใดทีนี้ถ ливо, ้าม่งถึงความเป็นใหญ่ก็เรียกว่าอินทรีหก ตาหูจมูกเล่นใจไหลใจเขาต่างมีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของเขาแต่ละอย่างละอย่างจะเท่ า, ายกันไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย์เราธรรมดาธรรมดาซึ่งบางทีอาจจะเท่าตายหน้าที่ของกันและกันได้ในตาหูจมูกเล่นใจไหใจเขามีหน้าที่กับตัวตัวใจ้จะหูนี่จะอุตริไปดูแทนตาเชิญเลยไม่มีทาง เทน้ตาจะทำบุตรีมาฟังแทนหูก็ไม่มีทางที่จะทำได้เพราะอาศัยเหตุนี้เราควรจะกล่าวจริงระมติปัญญาตว่าอันนี้คืออินทีคือความเป็นใหญ่เฉพาะตัในบางครั้งท่านก็กล่าวว่ามันเป็นประตูประตูในเมื่อสิ่งนั้นเป็นประตูตาหูจมูกเล่นลจใจที่เรียกว่าประตูก็มีสิ่งผ่านออกผานเข้า โรคผ่านเข้ามาทางตาเสียงผ่านเข้าทางหูเปลี่ยนผ่านเข้าทางจมูกรสผ่านเข้ามาทางลิ้นซ้ำผัานผ่านเข้ามาทางตาธรรมาลมผ่านเข้ามาทางจิตใจเห็นใสิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามานี่ถ้าเรากำหนดตัวให้มันดีๆแล้วที่เรารู้ว่ามันผ่านออกผ่านเข้าอยู่เนี่ยใครเป็นผู้รู้ ก็ใจใจของเรานั <distinction> ่นเองแหละเป็นผู้รู้สิ่งที่รู้ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นสภาวธรรมใจใจเป็นสภาวธรรมตาหูจมูกเล่นตายใจก็เป็นสภาวธรรมสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเล่นตายใจก็เป็นสภาวธรรม โดยที่สุดแม้ว่าใจผู้รู้ก็เป็นสภาวะธรรมอีกสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมนั้นหมายถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ดั้งที่ปรากฏให้เรารู้เห็นอยู่นี่เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสตินักปฏิบททัติธํานักศึกษาธรรม เอาใจมาลูกับสิ่งเหล่านี้ทำทติกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเราก็ได้เชื่อว่ามีการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลามาตอนนี้มาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมอยากจะขอถัดเรื่องราววิธีการปฏิบัติธรรมซึ่งเราเคยได้ยินได้ฟังกันมาม า, มากต่อบักแล้วเส้นบริกรรมภาวนาบ้าง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 หรือสิ่งใดที่เราสัมผัส ด, ด้วยตาหูจมูกเล่น ใ, นใจใจดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเข้าใจว่าจะเป็นอารมณ์เป็นเครื่องรล้ของจิตเป็นเครื่องละลึกของสติได้ในมาเป็นเช่นนั้นเราก็ควรจะอามาเป็นอารมณ์ปฏิบัติสมถมท า, านได้เอาถ้าอย่างสมมติว่าใจ ส, สักท่านหนึ่งอาจจะดอดถามขึ้นมาว่าข้าพเจ้าเรียนมาทางหมอมีความรู้ทางแพทย จะวิชาทางแพทย์มาเป็นอารมณ์ภาวนากรรมาฐานเนี่ยไม่ต้องเอากุศโอยุบหนอตพองหนอจะใช่ได้ไหมทนตอบก็คือว่าได้ทำไมจึงต้องได้และวิชาหมอวิชาแพทย์ที่เราเรียนมานั่นมันผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเล่นตายไรกใจ ใเมื่อความรู้อันใดที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเกิ้นกายแล่ใจกายใจเป็นสภาวะธรรมสิ่งที่กายโูดใจรู้หรือสัมผัสโลดมันก็เป็นสภาวะธรรมมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องวิตกอามาเป็นอารมณ์ปฏิบัติสมถทานได้แม้ว่าใครจะเรียนว่านในศาสตร์ไหนอย่างไรก็ตามจะเป็นวิทยาศาสตร์แทยศาสตร์นติศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็แล้วแต่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 เรื่องเรายกเป็นหัวข้อขึ้นมาตั้งเป็นปัญหาแล้วก็คิดเพื่อความมีสติสัมปชัญญะคิดจนกระทั่งจิตของเรามันสงบล อ, อกการคิดอันนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เราบริกรรมภาวนาโพโตโพโตโพโตโพโตก็ความคิดเหมือนกันยบหนอตองหนอก็ความคิดเหมือนกันสัมมาอรหังก็ความคิดเหมือนกัน แต่ถ้าเราจะเอาเรื่องความคิดที่เราเรียนมาเนี่ยเอิชาที่เราเรียนมาทพิกยังมาเป็นความคิดเนี่ยมันก็เป็นความคิดในเมื่อสิ่งนั้นเป็นความคิดสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องรูภของจิตเครื่องระเลิกของสติทำไมเราจะเอามาเป็นอารมณ์สมถารไม่ได้บางทีบางท่านอาจจะสงสัยว่า สิ่งเหล่านั้นไม่ไม่ไม่ไม่มีคำว่าธรรมะเสื่อปนอยู่เลยแล้วเราจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้อย่างไรในสมัยที่สมะเป็นสามเณรน้อยเรียนเรียนธรรมบทแต่ภาษาบาลีเอาแปลเพรเรื่องหนึ่งว่าข้างไม้นั่งผากไม้อยู่เอาการผากไม้เป็นอารมณ์กรรมฐาน ตรงปัญญาลงสู่พระใจรักพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้สำเร็จพระอรหันต์เมื่อกันการถากไมา่มีคาว่าทำไมะเจือคุณอยู่ด้วยไหมมีค น, นหนึ่งนั่งทอหกอยู่ก็มาพิจารณาชีวิตของตัวเองเสียเที่ยวกับการทอหกการทอหกนี่มันหดตั้นเข้าไปเรื่อยๆไห้ชีวิตของเราก็กั้นเข้าไปทุกปีทุกปี แล้วก็ได้ความตระักสังเวชได้สาเสร็จตา阿拉หันตามท้อเหตุมีคําว่าธรรมะหรือเต่ามีท่านผู้เดินเดินทางไปเห็นพยับแดดเตืนเมษามันร้อนมองเห็นพร ย, ยับแดดมันเกิดความระยิบระยับขึ้นมาก็าไปปรองปัญญาว่าอ๋อพยับแดดนี้มันก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนาะจิต ก, ก็ได้ความสังเวชไปสําเร็จตา阿拉หันเขาับเบิกเลย มีคำว่าธรรมะเกลื่อนปมอยู่ด้วยหรือเปล่าเพื่อนำเรื่องต่างๆที่มาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังเนี่ย อ, อาตมาภาพเราจะก็ใสข้อข้องใจบรรดาสังสมนักศึกษาธรรมะทั้งหลายเพื่ออ่างบางทีว่าธรรมะผ่าตัศสนามีมีในต่างกันอย่างไรเมาด้วยกันนี่ก็ เรายินคําถามคำตอบในเทศคําว่าสมถาวียปัจฉนามีนะมีความต่างกันอย่างไรถ้าจะให้คำตอบตรงตามความหมายกันจริงๆสมถาวียปัจฉนาต่างกันต่อวิธีกานต่อจบล่องหมายก็คือควาสมสงบท่านจะสร้างกะดูพาพ่อเทศจจริงเท่าที่ท่านปฏิบัติผ่านมาก็ได้ ถ้าอยากจะรู้ข้อแทจริงที่เราไม่ต้องสงสัยให้สลัดแบบทิ้งเอาไว้สักกัดการปฏิบัติสมถะสมถาน ต, ตามความเข้าใจโดยทั่วไปคือบริกรรมภาวนาและการเพ่งสิตเลยนึกอยู่เสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่งเป็นเพียงเรื่องเป็นเป็นเป็นเสียงสิ่งเดียวเือนึกถึงลมหายใจนึกถึงทรงกระดูกเป็นต้น เราเป็นการนึกอยู่เฉพาะจำกัดในวงจำกัดเฉพาสะาสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นอย่างนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธกนนึกอยู่ที่พุทโธพุทโธอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติแบบสะมะถะแต่ถ้าท่านผู้ใดมีความคิดมากสามารถที่จะคิดมากๆที่ตอบสนวิชาความรู้ที่เรียนมาอย่างที่เสนอแนะเอาเมื่อสักครู่นี้ เป็นอย่างเรียนวิชาอภิชาวิทยาศาสตร์มาก็ไนึถึงหัว ข, ข้อวิชาชีววิทยศาสตร์เราก็ตัง้งคำถามตัวเองต่อตัวเองไปเรื่อยว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรในมาตอบ ไ, ได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์อย่างไรต่อบพ่อไหนก็เพราะอะไรเ็ราะอะไรก็ร ะ, ระอะไรถามตัวเองต่อตัวเองเรื่อยไปหรือเราจะนึน้อมเอาร่างกายของเรามาวิตต์ขึ้นมาว่า หลังตาของเราเนี่ยมันประกอบด้วยสารห้าลูกเจตนาสัญญาสังขารวิญญาณเราต่อมาใช้ความทิดว่ารูปังโลกไม่เที่ยงอันนี้สางทุกครั้งหน้าตาเกี่ยวกับเรื่องโลกเจตนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยครับการปฏิบัติแบบใช้ความทิดพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาเรียกว่าวิปัสนาสัมถทานโดยปฏิบัติเกิดที่ปัจจณาสัมปทาน ชาวยุติธรรมตัดความให้มันเข้าใจอย่างชัดเจนก็คือว่าบริกรรมภาวนาคือปฏิบัติแบบสมัติการปฏิบัติตัวการใช้ปัญญาค้นคิดพิจารณาเป็นเรื่องกันเล่ก็เป็นอุบายให้จิตสงบเป็นการปฏิบัติแบบวิปัสสนาทั้งสองอย่างนี้แหละการนึกอยูอ่สิ่งสิ่งเดียวก็ดีหรื อ, อการพิจารณาเป็นเรื่องกันเล่ก็ดี เมื่งโตจดแห่งตามสงบตั้งมั่นของจิตในแนวแห่งสมาธิพระทั้งสองอย่างนี้ถ้าปฏิบัติแล้วจะทำให้จิตสงบเหมือนกันไม่เชื่อทดลองดูก็ได้เราะฉะนั้นข้อแตกต่างกันเนี่ยแตกต่างกันเฉพาะวิธีการแต่ถ้าจะถามว่า การปฏิบัติด้วยบริกรรมภาวนาเนี่ยตัดการใช้สติปัญญาพิจารณาเมื่อผลเกิดขึ้นแล้วจะมีในแตกต่างกันบ้างไหมอันนี้มีข้อแตกต่างกันดูบ้างการบริกรรมภาวนาบางทีจิตสงบลงไปแล้วก็เป็นนิ่งติดอยู่ที่สัมมาทิตยสมมาทังที่ท่านว่าบริกรรมภาวนานี่ได้แค่สมมาทิตยสมมาทังถูกต้องตามที่ท่านว่า ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ใช้สติปัญญาเริ่มต้นพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยไม่ต้องบริกรรมภาวนาเมื่อเิตสมบลงทําให้เกิดนีปีติมีความสุขแล้วจะมีสมาธิอย่างเดียวกันกับบริกรรมภาวนาผู้ที่ใช้ความคิดนั้นในเมื่อในเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตก็เดินนิพพสนาได้เร็วกว่าผู้ที่บริกรรมภาวนา เราจะนั้นทั้งสองอย่างเียอย่าต้องใจเราจะบริรรมภาวนาก็แต่จะใช้สติปัญญาพิจรณาก็แต่แต่ว่าขอเตือนไว้อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์เออจะเป็นเรื่องนอกตำราโดยสักหน่อยหนึ่งการทำสมาธิ การปฏิบัติสมาธิต้องพยายามให้สัมพันธ์กับงานในชีวิตประจาวันที่เราทําอยู่ในปัจจุบันทเริ่มสมมติว่าท่านขับรถท่านภาวนาพุธโธในขณะที่ขับรถภาวนาพโพธิ์ถ้าต่างว่าจิตสงบลงไปแล้วมันไปอยู่กับพโพธิ์ไม่สนใจกับการขับรถถ้าลองหลับตาไม่ดูจะว่าอะไรจะเกิดขึ้น อย่างน้อยก็ต้องขับรถไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางถ้าได้ไปหน่อยถ้ารถสดมากๆบางที อ, อาจทนเกิดอุบัติเหตุอันนี้ลองพิดจาตาดูเป็นกระสบะการที่ได้ยินได้ฟังและเธอได้พบเห็นมาแล้วด้วยตนเองเพราะฉะนั้นการทำสมาธินี่ถ้าพยายามทำสมาธิ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 ขอบอกว่าไม่มีพิธีรีกองอะไรทำสติรู้อย่างเดียวเรื่องพิธีรีกองนั้นตัดออกไปซะก่อนถ้าเราจะทำให้เป็นพิธีนั่นเอาไว้ทำตอนเช้าตอนเด็นที่เรามีไหว้พระสวดมนต์ประจำวันแต่ถ้าเราจะทำในขณะนี้ขณะนี้ท่านฟังเทศท่านอาจจะทำสติสัตการฟังเทศ เอาเสียงเป็นเครื่องรู้ของสิตเครื่องระลึกของสติถ้าท่านตำรวจจะตั้งตั้งอยู่แม้ว่าท่านจะจำคำพูดม่ได้ทุกคำท่านอาจจะมีความรู้เสศกนมาว่าเสียงนี่มันก็มีสูงต่ำมีหนักมีเบาแล้วก็มีสั้นมียาวก็้เดี๋ยวท่านก็รู้อ น, นิจังทุกขังอนัตตาส้นหมาวยการตำรวจรู้ปัจจุบัน โดยไม่ราู้ที่สดท่านอาจจะสำรวจโลกการต้มดูเราตัตจุบันสองกันท่านนั่งนานๆแล้วมันปวดหลังนั่งนานๆแล้วมันเมื่อยนั่งนานๆแล้วมันง่วงใ น, นว่ารู้แต่ตัว้นมามีสติแล้วท่านอาจจะได้รู้ทำกันว่าพวกถึงทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละว่ามีการเปลี่ยนแปลงยอด้าอยู่ตลอดเวลาพอเข้ามาในห้องนี้ในตอนแรกจะเจออากาศเยน็เยนจัด เรารื่องขอเอา่ากายเข้าามอบอ้ า, อออามันเกิดขึ้นจากหลุนเอาต้องตันเราตันดังครังอาจเกิดความร้อนจีได้บางครัพระที่โทษคือโทษจูเน่บางทีตอนราเปลาเราก็รู้สึกว่าเอาน่าฟั ง, างทางเต้าทางมามันมดหดดโดดแล้วอา จ, จเกตดลำการ้นมาสเราซึ่งทั้งแลาวเหล่านี้ก็เหตุการณ์ในปัจจุบันที่มันจะเกิดเ้นก็แสดงให้เรารูามมา้ธรรมะ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังะะนั้นการที่เราจะทำสมาธิให้มันมีความสัมพันธ์สัตย์ซีริสประจําวันของเราที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบับนนี้ให้มันใกล้ที่สุดว่าให้มันผ่างกันในมหาก็รุสุสานท่านก็ให้สำหรับกินเดินดนั่งนอนกินเดิ น, ดนทําพูดทกพิษทำสติอย่างเดียว คด้วยสิ่งเงินเดินที่เราทําอยู่เวลาเราต้องการใช้การคิดเกี่ยวกับงานเราก็เอาเรื่องงานมาคิดทําปติคิดให้มันติดต้องลงให้มันชัดชเวลาทำทําปติอยู่กับงานเวลาเขียนหนังสือก็ทําปฏิอยู่กับสิ่งนั้นทําเอาเราก็ทําปฏิกับสิ่งนั้นทําปติลูกตัวือ ถ้าไม่ไปตามปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เสริมพลังจิตมีความสัมพันธ์กับสีวิตประําวันรายกานที่เราทําอยู่โดยเอาเรื่องของสิวิตประําวันเป็นเครื่องโูภของจิตเป็นเครื่องเราลึก่องของสติเราฉะนั้นจึงเท้าที่จะขอประมวลหลักฐานที่จะตึงยึดเป็นแบสำหับในกานปรปฏิบัติไว้สามอย่างหนึ่ง บริกรรมภาวนาอย่างที่เราปฏิบัติตมาแล้วเราก็ตด้สองการเข้าวิปัญญนาที่ภรวนาโดยวิสุทธ์เอาการรู้ที่เราเรียนมาหรือถ้าหากว่าเราูลเรื่องตาเรื่องตาหมากๆเรื่องอริยธรรมมากๆวิสุทธ์เอเรื่องอริยธรรมมาเป็นเครื่องโลภจุตเครื่องแล้วเลกของขติก็ได้ ถ้าท่านตัวใดไม่คล่องต่อเรื่องของธรรมะ <c oughs> ต่เอาวิชาการที่เราเรียนมาที่เรารู้มาที่คล่องๆแล้วนั้นมาตนาลมทุกขละนาในเบื้องต้นมันจะช่วยให้ตามทุกขละนาของเราคล่องตัวขึ้นอันนี้เป็นขั้นแห่งการพุกขละนาจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ก็ได้เราการที่สามการตันหลดลุ เซลที่เราตั้งเซลกําหนดโู่ลงที่จุดทันจุดว่างอยู่ทั่วขนาดหนึ่งโดยธรรมดาตอนจุดเมื่อเราตั้งเซลกำหนดลงเราก็สอดตามว่างเนื้อเมื่อสอดตามว่างขึ้นมาแล้วเราก็กาหนดดูที่ตามว่างเนื้อเมื่อจุดว่างอยู่สักคัดหนึ่งตามิเชื่อมต่อขึ้นเมื่อตามเชื่อมต่อขึ้นทันปติจตามโล่งตามจิดนั้นเพี่อนใจสัตว่ารู้ ย่าไปช่วยมันคิดความเชื่ออะไรเสด็จ้นกาหนดรู้ความเชือะไรเดขึ้นกาหนดรู้ยกตัวอย่างเช่นคิดถึงสื่อเบ่งก็ควรจะว่ารู้ว่าสื่อเบาไม่ต้องไปคิดว่าสื่อเบิงคืออะไรถ้าหากว่าจิตมันคิดโดยอัตโนมัติต้องมันเราทำสติตามโตทุกระยะว่าร เราทำเราเนี่ยจะเป็นอบายธรรมเท่าจิตต้องเราโลเท่าทันอารมณ์สติตัวนี้จะจกลายเป็นมหาสติถ้าสติกล่าวเป็นมหาสติก็สามารถระพัดระพองจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพตกติไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ได้ง่ายเมื่อสติตัวนี้เป็นมหาสติแล้วเพิ่มพลังขึ้นเมื่อการฝึกฝนอบรมก ล, ลายเป็นดึงนติน เมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสติสติแล้วเรากระทบอะไรทัดจิตกับต้นชาติจตนาไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทีนี้เมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสติสติ่ป็นใหญ่ในอารมณ์ทั้งปวงซึ่งมีลักษณะใกล้กับว่าจิตของเราสามารถเอาเอาอารมณ์มาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้หรือเอาสิเลตมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้ ก็สติตัวนี้เป็นใหญ่ย่อมมีอำ น, นาตหรือว่าอารมณ์เราสามารถใช้อารมณ์ให้เสด็ประโยชน์ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นสติตัวนี้จะกลายเป็นสติวิญญายโยแล้วเมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสติวิญญาโยสมาทุกสติสัญญาสองปูปฏิบัติมีสมรรภาพดียิ่งขึ้น